ในหลวงของเราองค์ปัจจุบันตอนที่ท่านบวชนะพระอุปชาเป็นสมวในพระสังฆราชชื่อว่าสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมหลวงวัชริรยานดวงเรียกว่ามีฐ า, านันดอนที่สูงมากนะสมณ ศ, ศักดิ์ก็เรียกว่าสูงที่สุดแต่ว่าท่าน เป็นพระเถระที่เป็นกันเองมากนะท่านสนิทคุ้นเคยกับหม่อมราชวงคฤตริ์ปราโมทนะพวกเร า, เาคงจะรู้จักก็มีเรื่องเล่านะเรื่องนี้มันก็เกิดขึ้นมาสักหกสิบเจ็ดสิบปีมาแล้วนะวันหนึ่งหม่อมราชวงคฤตริย์ปราโมยก็ไปที่ตำหนักของสมเด็จนะไปถึงนั่นก็เย็นละ ก็พอดีกับที่สมเด็จพระสังฆราชเพิ่งเสด็จ ก, กลับมาจากหัวหินยังไม่ทันพักเท่าไหร่เลยสมเพระสังฆ์หมอราชชพลึกประโมทเนี่เห็นต้นไม้ต้นเล็กๆต้นหนึ่งอยู่ในกระป๋องนมต้นเล็กๆแค่คือเองมั้ง ส่วนในภาษาอังกลษกบอกเนี่ยต้นเนี้ยสมพานที่หัวหินให้มาหมามล่อชมคึวงิกก็พูดว่าเนี่ยโอ้นี่ต้นพยามช่วนะสมเด็จรู้หรือเปล่า ว, ว่าต้นนี้เนี่ยมันต้องสี่สิบห้าสิบปลูกไปห้าสสิอายุต้องห้าสี่สิบห้าสิบปีนะมันถึงจะออกดอกอะสมเด็จ แก่ป่านนี้แล้วเนี่ยว่าสมเด็จแกจ่จะตายไม่ตายแหลแล้วนี่จะได้ทันเห็นดอกมันเลยนะที่พูดกับสังฆราชนะสมเด็จจะสมเด็จแก่ป่านนี้จะตายไม่ตายแหลแล้วเนี่ยจะได้ทันเห็นดอกนี่เหรอต้องห้าสิบปีนะกว่าจะได้เห็นดอกส่วนในพระสังฆราชฟังท่านก็บอกว่าต้นอะไรนะต้นพยอมกี่ปีนะเพิ่งถึงจะออกดอกห้าสิบปีนะหมอ่อมราชวงครึ่งริบพร้อมะก็ยำ้ำ พอท่านได้รับคำยืนยันอย่างนี้นะสมเด็จ ก, ก็ไปเรียกวิทยว จ, จกรมาเลยตะกนเรียกเลยนะให้รีบมาไวๆมาทําอะไรรีบเอาต้นนี้ไปปลูกซะนะท่านบอกว่าเนี่ยไอ้นี่ไอ้นี่คือหม่อมราชวงศ์คือิบราโมนไอ้นี่มันบอกว่าอีกห้าสิบปีถึงจะได้เห็นดอกนะต้องรีบไปปลูกเลยนะอย่าให้เสียเวลาจะประมาทไม่ได้เลยนะ ปกติคนเรานี่ถ้าเรารู้ว่าเนี่ยต้นไม้ต้นหนึ่งกว่าจะออกดอกออกผล50สิปีเราคงจะไม่กระตือรือร้นเท่าไหร่นะก็จะรอไปพรุ่งนี้มะรืนนี้หรือรอไปปลูกโน่นเดือนหน้าก็ได้เพราะมันต้อง50สปีนะกว่าจะเห็นผลแต่สมเด็จพระสังฆราชองค์นี้ท่านกลับคิดอีกแบบหนึ่งท่านบอกว่ายิ่งมันให้ผลช้ายิ่งต้องรีบทํา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 การทำสมาธิการปฏิบัติธรรมหรือว่าการออกกาลังกายนะออกกาลังกายนี่กว่ามันจะให้ผลนะคือทำให้สุขภาพแข็งแรงก็บางทีก็ห้าปีสิปีบางทีมาเห็นผลนี่ก็โนอนอีกตอนแก่ๆ ก, ก็มีนะเช่นหัวใจยังแข็งแรงอยู่เพราะออกกาลังกายหลายคนบอกว่าโอ้ออกกาลังกายนี่กว่ามาจะให้ผลนี่อีกนาน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 กว่าจะให้ผลนี่มันนานเพราะฉะนั้นเอาไว้วันหลังเอาไว้ทีหลังาการคิดอย่างนี้เรียกว่าประมาทมากพระสังฆราชท่านบอกว่าเนี่ยนะต้องรีบทาเดี๋ยวนี้เลยนะอย่าให้ เ, เรียกว่าจะประมาทไม่ได้ท่านใช้คาประมาทไม่ไดนะ้การที่เราปล่อยเวลาให้เนิ่นนานพ่านเลยไปเนี่ยเพียงเพราะเห็นว่ากว่ามันจะให้ผลก็นานเนี่ยเรียกเป็นความประมาท อีกแง่หนึ่งนะที่ท่า น, นาพิจารณาคือว่านะอต้นพยอมเนี่ยสมเด็จพระสังฆราชก็คงจะไม่ทันได้เห็นดอกกันนะเพราะว่าตอนนั้นท่านก็พระชนนีก็อายุหกสิบเจ็ดสิบแล้วมั้งแต่ว่าพระองคก์ก็ให้รีบปลูกทันทีไม่ใช่เพื่อตัวเองจะได้เห็นนะแต่ว่าเพื่ออนุชนรุ่นหลังจะได้เห็นจะได้ชื่นชม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 เมื่อเรารู้ว่าเออปลูกป่าแล้วนี่มันทําให้ป่าเขียวกขจีทําให้โลกมีพื้นที่สีเขียวมากขึ้นหรือว่าเร า, า จ, จะนึกไปไม่ถึงโลกนะนึกถึงประเทศนะก็ช่วยทําให้ประเทศมันมีพื้นที่สีเขียวมากขึ้นเราก็เลยมาอันนี้เรียกว่าเรามีอ่าเราไม่ได้มาด้วยอัตตาธิปไตยนะอาจจะมาด้วยธรรมธิปไตยนะธรรมทิปไตยคือการเราธรรมะเป็นใหญ่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 เพียงเท่านี้นะแต่ว่าเรามุ่งประโยชน์ของส่วนรวมไปที่ตั้งเราก็มานะเอ่อเรียกว่าสปิ r ิ t หรือว่าเจตนารวมแบบนี้นี่นะเป็นสิ่งที่ควรปลูกฝังมากๆทั้งในใจเราแล้วก็ในใจของลูกหลานเราเพราะมัช่วยทำให้โลกนี้นาอยู่นะทำให้ธรรมชาติงดงามเขียวขจีนะแล้วก็เตรียมรับพร